เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมที่ฝั่งตะวันตกก็มีการจิตแพทย์ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องเจอกับคนเครียดมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวเองก็เครียดด้วยนะครับตัวเองก็เป็นคนหนึ่งคนที่ช่วยคนอื่นได้แต่บางทีปัญหาตัวเองนี่ยากเหมือนกันต้องวิ่งไปให้คนอื่นช่วยเหมือนกันโดนหักหลังโดนโกงโดนอะไรเงี้ยนะครับปัญหาก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับไม่เรื่องครอบครัวก็เรื่องเรียนก็แล้วแต่วัยวัยไหนมันก็จะมีเรื่องประจํา วัยของวัยนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การมาเรียนจิตเวทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาศึกษาธรรมะ <c oughs> เพราะว่าเราจะไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยอันนึงคือเราก็ต้องดูแลใจเราให้เป็นก่อนถ้าเราดูแลใจเราไม่เป็นเนี่ยเราก็เราก็คงไม่สามารถช่วยคนอื่นมีความสุขได้嘛ศ <c oughs> าสตร์ต่างๆที่เรียนเกี่ยวกับการทาจิต บ, บาบัดเนี่ย ส่วนใหญ่มันก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความมันยังวุ่นวายอยู่กับความคิดนะครับทำให้มันเป็นบวกไม่ดีกับตัวเองก็คิดให้มันดีคิดไม่ดีกับคนอื่นก็ทําให้มองเขาในแง่ดีก็ช่วยให้คนเรามีแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันไม่สุดนะมันไม่จบเพราะมันยังพอมันคิดบวกได้หรือมันก็เปลี่ยนมาเป็นคิดลบได้หรือบางคนมันก็ลบอยู่งั้นนะครับพยายามจะให้บวกไงมันก็บวกไม่ได้นะครับแล้วก็เริ่อศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ย ก็น่าจะสักปีห้าหนึ่งเริ่มฟังซีดีเริ่มฟังเรื่องการดูจิตเริ่มอะไรเงี้ยครับแต่ก็ปฏิบัติแบบปฏิบัติเองก็ทําเป็นบ้างทําไม่เป็นบ้างว่าเออเกิดอะไรขึ้นที่จิตก็รู้แล้วก็นั่งพุดโทก็หลับยุบหน่อบ้องหนอก็เคยไปนะครับเห็นเคยไปเข้าคอร์สครั้งแรกเนี่ยอ๋อไปยุบหนอพ้องหนอเห็นคนนั่งแล้วตัวหมุนๆเราก็รู้สึกโอ้อันนี้สมาธิดีอะไรเงี้ยนะได้ปรีตรีแล้วก็ไม่รู้เรื่องกับเขานะครับจําได้ว่าหลับแล้วก็ เริ่มองเห็นว่าอ๋อจริงๆมันต้องกลับมาจัด ก, การที่ใจตัวเราเองนี่แหละคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบให้คนอื่นรับผิดชอบตัวเองเรารักเขาเราก็อยากให้เขารักเราเขาไม่รักเราเราก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่รักเราเขาทําไม่ดีกับเราเราก็รู้สึกว่าเพราะเขาทําไม่ดีกับเราเราถึงทุกข์แต่จริงๆเราไม่ค่อยกลับมารับผิดชอบความรู้สึกของตัวเราเองว่าความโกรธความเสียใจนี่มันเป็นของเรา เราจะกลับมาดูแลตัวเองยังไงถ้าตัวเรารับผิด ช, ชอบของตัวเราแล้วผมมีความเชื่อว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาน่าจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขถ้าเราเาความสุขของเราไปให้คนอื่นรับผิด ช, ชอบซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็จะเหนื่อยคนไข้ผมก็เป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยใจดีกับตัวเองไม่ค่อยเมตตาตัวเองเท่าไหร่แต่ตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะครับ จนศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยอ๋อพอมาศึกษาธรรมมาแล้วอ๋อมันมีวิธีออกจากความคิดแฮะอันนี้มันทําให้เราออกจากความคิดจริงๆนะครับสิ่งที่อยากบอกก็ อ, อยากให้กําลังใจคนที่มาปฏิบัติใหม่เหมือนกันนะครับครั้งแรกที่ผมมาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยเมื่อประมาณปลายปีห้าหกตอนนั้นเรียนกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็ไปคอร์สที่โคราชครั้งแรกจําได้ว่าโหเจ็ดวันนี้หลับกระชูดเหมือนกันครับ เดินเนียหัวชนกําแพงห้องน้ําเลยครับหลวงพ่อให้เก็บอารมณ์วันท้ายๆเนี่ยก็หลับนะครับแต่มันก็สี่ปีผ่านมาผมรู้สึกคล้ายๆกับที่หลวงพ่อเอฟบอกจริมันเหมือนไม่มีความคิดหลายเรื่องที่มันอยู่ในใจเราแล้วมันก็เราค่อยๆเห็นมันแล้วมันก็ค่อยๆถูกชําระไปอะไรที่เราเคยยึดมันก็เบาบางลงเรื่องที่มันเคยข้างค้างเรื่องที่มันเคยติดใจเรานึกถึงทีไรก็ทุกทุกทีมันก็ค่อยๆ ละลายไปก็รู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนเลยทั้งผู้ปฏิบัติใหม่แล้วก็ผู้ปฏิบัติเก่าก็คงเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เดินทางไปร่วมกันพอมองมาสามเดือนนี้ได้อะไรนะครับนี่เคยพูดไปบ้างแล้วเื่องแรกก็ร่างกายดีขึ้นนะครับอยู่กรุงเทพเนี่ยจริงๆทำงานแบบที่แบบโอ้ตื่นตีห้า ครึ่งใช่ไหมครับก็ออกจากบ้านเจ็ดโมงก็ต้องถึงที่ทํางานแล้วออกสายไปสิบนาทีนี่อาจจะสายไปครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็ทํางานรอมันจนดึกๆเลยนะครับเพราะว่าออกเร็วนี้รถติดก็ทาํางานจนถึงหกโมงสองทุ่มเลยฮะแล้วก็กลับบ้านก็นอนบ้านนี่เป็นที่นอนอไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองน้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งตรวจคนไข้บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปวดหรือเมื่อยรู้อีกทีตอนมันดับเจ็บไปแล้วก่อนหน้าที่จะมาบวชเนี่ยต้องไปนวดอ่ะจาได้ว่านวดประมาณแบบ 2อาทิตย์ทีหนึ่งสออาทิตย์ทีหนึ่งดัดก๊อบก๊อบก๊อบอจะสบายแป๊กหนึ่งสอาวันก็เอาอีกล้เดี๋ยวต้องเอาเป็นอีกแล้วนะครับเพราะนั้นในช่วง3เดือนแรกก็คงเป็นเรื่องร่างกายมั้งที่มันเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนก็หลวงพ่อให้ออกกำลังกายทุกวันนะครับก็แรกๆก็ก็ทำทุกวันนะครับเอ่อทำทุกวันนึกไม่ออกก็มีวันไหนมีไม่ได้ทําบ้างถ้าเขาคอแล้วหลวงพ่อบอกนี้ไม่ต้องทําก็ไม่ได้ทํานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามทําทําได้ครบบ้างไม่ครบบ้างก็ น้ำหนักก็หายไปประมาณเจ็ดแดกิโลมั้งครับเนี่ยจนถึงตอนนี้ประมาณ3มเดือนก็ดีเหมือนกันแล้วก็หลวงพ่อก็พาเรียนรู้หลายอย่างนะครับเรื่องฉันก็ช่วงบางช่วงหลวงพ่อก็เอาฉันมือเดียวไม่บอกอะไรเงี้ย น, นะครับบางช่วงหลวงพ่อก็อาจันสองมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เป็นการฝึกความอดทนฝึกจิตใจของเราในขณะที่เราเป็นคารวะเนี่ยโอ้เรากินสนุกเลยใช่ไหมครับอยากกินตอนไหนเราก็ไปกินโอ้ที่เหนื่อยเดี๋ยวตกเกนก็ ชวนน้องๆไปกินเพราะว่าตัวเองก็เป็นเป็นอาจารย์ก็มีนักเรียนก็ชวนกันไปกินไปเลี้ยงบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองว่าไอาการตามใจการติดสบายของเราเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงมันนําทุกมาให้ภายหลังแล้วเราก็ไม่ค่อยตระหนักรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเพราะเราทํางานไปตามความเคยชินอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จริงๆสําหรับจิตสําหรับความคิด ตัวเก็เริ่มเห็นนะครับเรืจริงความคิดเนี่ยเราเอาอะไรกับมันไม่ค่อยได้เราเชื่อมันไม่ค่อยได้บางทีเราคิดเรื่องเดียวกันเนี่ยอย่างอุวันวันหนึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าอ๋อคิดเรื่องเดิมเลยเนาะมันไม่เหมือนเดิมอะเนื้อหาสาระมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะไปเอาอะไรกับความคิดที่มันมากมายบางทีเราอุ๊คิดถึงหน้าคนนี้รู้สึกหลักอยากเจอมากเลยคิดอีกแว๊บนึ่งไม่อยากเจอแล้วไม่เอาแล้วเจอแล้วมันเป็นทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะครับถ้าเรา วุ่วาอยู่กับความคิดมากโดยที่เราไม่เคยรู้วิธีที่จะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่มันเป็นของแท้ของที่เรารู้สึกได้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอาบน้ําเนี่ยอาบน้ําเสร็จยังไม่รู้เลยนะครับตรงเมื่อกี้เราสระผมไปยังเคยเป็นไหมครับไม่ตรงนี้สระผมไปยังแต่งฟันไปยังหว่าต้องกลับไปแต่งอีกทีหนึ่งเพราะไม่แน่ใจมันไม่รู้ตัวขนาดนั้นนะครับก็ยังมีอะไรที่ต้องฝึก อีกเยอะนะครับแล้วก็อยู่กับความสุขความทุกข์ให้เป็นโดยที่ไม่ติดกับมันมากก็ยังติดเยอะนะครับยังติดเยอะแต่ก็คิดว่าก็คงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะออกไปเป็นค า, ารวาแล้วก็คงต้องฝึกเพราะมันเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดแล้วอยากจะตายเป็นนะครับอยากจะตายเป็นไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่รู้สึกว่าอยากจะตายเป็นไม่อยากตายไปแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็ทํางานไปพอเขาแก่ไปมันเหมือนดอกไม้ที่มันบานแล้วมันก็ค่อยๆเหี่ยว แต่เราเห็นครูบาอาจารย์เราจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์มันดอกไม้ที่มันค่อย ค, อยคอยบานมากขึ้นเลยอันเขา อ, อยากฟังเนนนะเขาไคุ ย, งงยให้เจ้าของบ้านเขาฟังประทานเข้าวตะไรมื อ, เ, อเป็นไงบ้างกาบนรสมานมัสการหลวงพ่อแล้วก็พาพิสูจน์นะคะแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนนะครับชื่อนรส น, นะครับอ่าก็อายุสิบห้าครับ มาอยู่กับหลวงพ่อได้ก็มาที่นี่ก็ว่าทําไมถึงนั่งได้นานๆแล้วการยกหรือว่าความคิดที่มันขึ้นมาอะไรอย่างเงาดึงกลับมาที่ความรู้สึกเตลตลอดคิดแล้วก็ดึงมันมันมันสนุกมัครับมันสนุกมันก็เลยทำได้เรื่อยๆฮะเหมือนว่ามันไม่ไม่ว่างมันไม่ใช่แบบง่วงแล้วก็หลับมันน่าเบื่อถ้ามาทําอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันทําง่ายกว่าเมื่อก่อนก็นั่งแล้วก็ตั้งใจให้ความรู้สึกเตงเดียวไม่ความคิดเลย ก็ปวดหัวบ้างหรือว่าเดินคิดอย่างเดียวก็มีอ่ะก็มันก็เจริญแล้วมันก็มันเวลาคิดมันรู้สึกว่าเหมือนว่าเวลามันนานก็เลยก็เปลี่ยนเอาใหม่ก็ให้ทั้งสองอย่างมันเท่าเท่ากันมันก็ได้เรื่อยๆอ่ามันก็จะมีเข้ามาบ้างครับเวลาลมพัดเย็นๆแล้วเราไม่ทันรู้สึกดื่มน้ําแล้วก็ ปรับเรื่องลงมหายแล้วก็เปลี่ยนท่าเปวดแล้วพี่ครับร่างกายแข็งแรงแต่น้ําหนักก็ไม่ลดไม่เพิ่มอนะครับเมื่อก่อนร่างกายอ่อนแอมากก็นั่งนั่งอยู่กับที่นานๆครับเล่นแต่เกมอยู่ที่บ้านนะ่ะไม่รู้ครับ <c oughs> ปวดครับปวดบ่บบอยด้วย <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนท่าทุกๆห้านาทีนะนั่งเพะเพียบนี้เมื่อก่อนก็เคยจะจับเวลาก็จับไว้ท่าละห้านาทีแล้วก็ตอนถ้ามันปวดก่อนก็ต้องทนได้ถึงห้านาที แล้วก็ช่วงนี้มันพอปวดมันเริ่มปวดก็ตอน5นาทีพอดีแหละเ <c oughs> หมือนว่ามันคินแล้วค <c oughs> ่ัก็รนับเวลาก็กับการเปลี่ยนท่าเนี่ยครับเดาๆเอาก็พอเพียมนี่จะ5นาทีครับลองลองลอ ง, ลองนั่งแล้วพอมันเริ่มปวดแล้วก็ไปมองเวลามันก็ประมาณ5นาทีอนะ่ะเวลาคุ้มซ่ามีไหม อ่ามันก็จะมาเป็นช่วงๆครับฟุ้งซ่านนี้มันก็จะมาแล้วก็มันจะเผลอบ่อยกว่าปกติอ่ะเพราะปกติความคิดเข้ามาแล้วก็จะดึงกลับได้ไวแต่ฟุ้งซ่านนี้มันก็จะเพลินไปควบความคิดบ้างครับไม่ความไม่ใช่ความคิดที่มันคิดไปเรื่อยๆนะครับก็อันเดียวกันไม่ใช่หรอผมไม่ใช่นะครับเพราะผมก็ทําอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกมันก็สร้างจังหวะกับเดินไปเดินมาเดินวงกลมกับเดินออกไปข้างนอกผมว่าเหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าเดินจงกลมนี่มันจะตั้งใจแล้วมันจะเห็นอะไรชัดกว่าแต่ถ้าเดินไปข้างนอกนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะเดินไปทําอะไรแล้วก็เดินไปแล้วมันก็อาจจะไม่ชัดเท่าเดินตรงกลมนะครับ <laughs> ไม่รู้ครับ <laughs> ไปกับแม่ครั้งแรกที่ไหนอ๋อไปที่ก็ไม่เจอหลวงพ่อแหละครับการสร้างเกว่าแค่นี้น้อยเนี่ยได้ระดับเดียวสมมติเรืสมมติปลายนะ คือไม่เร็วไม่ก็เลยบอกให้โยมเอาตัวอย่างไม่รู้โยมแล้บางคนก็เดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวตเต็มจังหวะเดี๋ยวไม่เต็มรูปเดี๋ยวเต็มรูปอย่างเงี้ยแต่สังเกตสมเด็จเต็มจังหวะๆๆตลอดนะหรือว่สมาธิไอดีนั่นนั้นก็ในอารสร้างจังหวะเนี่ยถ้าเรารู้จังหวะนิ่งไงจังหวะเคลื่นชัดๆเนี่ยอันนั้นคือตัวรู้สึกเนี่ยแต่ถ้ามันไหลไปเรื่อยๆเนี่ยตัวรู้สึกในร้อยหนึ่งมันก็จะเละสักสิบหรือยี่สิเอร์เซ็ อ่าตัวตัวรู้ก็เป็นตัวไหลแต่ถ้าหากว่ามันจุดไปจังหวะเคลื่อนไป จ, จังหวะจังหวะจังหวไปเนี่ยจิตมันก็จะเข้าที่เข้าทางได้ไวหมันเราจัดระเบียบอะเอาของของมาตั้งตั้งตั้งถ้าหากว่า <c oughs> เราไม่จัดก็คือมันกระจุยกระจายลบลุงลังความคิดมันก็เลี่ยราดไปแต่พอเราจัดระเบียบการเข้าที่เข้าทางมันก็จัดของเป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นซ้อนไปไปแลเบียบด้วยแล้วก็แน่นหนาดีนะ นั้นเองในการปฏิบัติเนี่ยก็สังเกตมันจะมีผลต่อการทํางานทําให้เราอดทนได้นานทําให้เรานิ่งได้นานสําเร็จได้เร็วเมื่อก่อนเราทำแล้วขี้เกียจมากก็ลุกนี้หรือว่ามันเหนื่อยมากก็ลุกนี้แต่พอเรามาปฏิบัตินั่นเข้านั้นเข้าเราทำสิ่งนั้นมันก็มีความอดความทนมีความพยายามแล้วก็ปัญญามันก็เกิดไปอันนี้ที่ที่ว่าผู้มาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยพอ ท, ทำไปไปทํามาหากินก็ ก้าวหน้าเพราะมันมีความอดทนเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการายืดหยุ่นผ่อนคลายได้ดีไม่เหนื่อยง่ายไม่หนักง่ายไม่เบื่อง่ายความอดทนก็สูงขึ้นเ mm hmm. พราะนักผู้ปฏิบัติทำแล้วทําให้เปลี่ยนแใจชีวิตได้ดีก็เพราะว่าคุณภาพของชีวิตมันมันได้ฝึกฝนกับความเพียรนี่แหละขนาดเรานั่งยกมือโดยจะกมเฉยเฉยมันไม่ได้อะไรเลยยังทําตั้งแต่ทั้งหลายชั่วโมง แต่เวลาทําการทํางานนะมันมีผลได้มันก็ต้องทำได้ดีฝ่ามันก็จะทําด้วยความได้ทั้งสองอย่างความรู้สึกตัวก็ได้ผลรับผองงานก็ได้ขณะว่าลำานังปฏิบัติเนี่ยผลรับผองงานไม่มีอะไรน่าจะได้ความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราเห็นแตกต่างสําหรับคนปฏิบัติอย่างหมอเรียนอิทยามาเนี่ยแต่พอไปเจ อ, เอ โยมติดอารมณ์เมื่อขรั้งที่แล้วเนาะที่คุ้รู้สติหมองงกันใช่ไหมหมอ <c oughs> แกไม่ถูกแล้วก็จะพาไปหาหมอไปหายาที่เนี้ยก็เข้าบวตามหลวงพ่อไปเอ๊ะเขาชื่ออะไรหมอจำได้ไหมนั่งสร้างจังหวะไปมามันส่วนวส่วนเทิมสันเทิมแล้วหายใจฟื้ฟัดฟื้นฟัด พ, ด พ, ดพดอแค่เสร็จเอ๊ะมันมันก็หายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราจับตุงนี้ไม่ได้เนี่ย มันก็จะต้องไปหาหมอหายาเข้าโรยาบานตรวจโน่นตัวนี้เป็นเรื่องเป็นราววิธีการที่ตั้งใจมากขึ้นไปมันเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์แล้วมันมันดูดมันดูดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตที่มันมันมีพลังนะโฟกัสมันนานแล้วมันมันสามารถเอ่อทำให้ธาตุสีแปลปวนได้ธาตุลมมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมไฟจะแรงขึ้นกว่าเดิมอารมณ์ก็แรงขึ้นกว่าเดิมมันคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนการสะกดจิตตัวเองเนะ่ยนะ ซึ่งในจุดนี้ที่เราเห็นพวกหมอองค์ทรงเจ้าอะไรกันเน่เขาก็ใช้วิธีสะกดตัวเองมีอาการแปลกต่างๆนาน า, าสามารถพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ได้แล้วก็ฟังพูดเรื่องเป็นหล่าด้วยนะแต่ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรเนะเขาบอกพูดภาษาเทพนะความจริงมันก็คือติ ด, ด้จสำนึกอะไรมันมันถูกกดออกมา นั้นเองเรื่องของจิตเนี่ยไปเล่นกับมันแบบไม่ถูกจังหวะเนี่ยไม่ได้มันบางทีเสียคนได้ง่ายง่ายนั้นเองการจัดเรียบเรียงอย่างที่เราทําน่ะเรียบเรียงเป็นระเบียบแล้วก็มีพยายามนักปฏิบัติหลายคนพยายามที่จะแปลงวิธีการของพเทียนให้เป็นอย่างอื่นเช่นมีพระลูกหนึ่งแปลงได้ถึงสามสิบหกจังหวะจ า, ากสิบสี่จังหวะเนี่นะเป็นสมสิบหกจังหวะเขาเขาเขาบิดประดอยไปเรื่อย เมื่อก่อนอาจารย์กุลวิทก็พยายามแปลงว่ายกมือข้างเดียวก็มีคนตามอยู่พักหนึ่งก็ไปไม่รอดอ่ะแต่พ่อยสูตรที่หลงวงพ่อเห็นมามันมันแค่เป็นสูตรสําเร็จที่ลงตัวทําแล้วเข้าที่ครามก็ไปของมันโดยที่ไม่ไม่มากกว่านั้นไม่น้อยกว่านั้นมีหลายคนพยายามดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นแต่มันไปไม่ได้แต่ว่าสูตรนี้มันจะลงตัวพอดีดังนั้นเองการเรียบเรียงจัดระเบียบของจิตเนี่ยมาว่ามันมันต้องอ จ, จัดระเบียบของกาย ให้เป็นก่อนพอใจแล้วเบีย๋ยวคงกลายเป็นอว่าในจิตของเราเนี่ยมันใช้มันใช้ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อมันใช้ออกมาทั้งห้าทางเนี่ยถ้าเราจัดระเบียบก็มาจัดทั้งห้าทางจัดแลเบียบตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเรามันก็จะส่งออกเหมือนเกับเรากระแสไปฟ้าอยู่ในสายของมันเนี่ยอมันก็มีหน้าที่ไหลเวียนไปตามนั้นแต่พอเราเอาหลอด อะไรจะจัดระเบียบให้หลอดเนี่ยมันสว่างมากสว่างน้อยจะเป็นสีสว่างแบบไหนะสีส้มสีเหลืองสีแดงรหรือเป็นไฟกระพริบหรือเป็นไฟอตั้งให้มันกระพริบหรือไม่กระพริบอย่างไรเนี่ยอันนี้เรามาจัดระเบียบเอาทีหลังแต่กระแสไฟคือกระแสดเดียวนั่นแหละเหมือนกระแสตัวรู้คือกระแสเดียวนั่นแหละกระแสตัวรู้แต่ถ้าเรามาจัดระเบียบเพามันเป็นอะไรเนี่ยมันก็เป็นได้นะถ้า ทางตาของเรามันก็ไปรู้ไปอีกแบบหนึ่งหูก็เป็นสัญญาณของเสียงก็ออกมาอีกแบบหนึ่งเจมูกทำหน้าที่รับปิน่นแล้วก็ออกมาอีกแบบหนึ่งลิ้นทําหน้าที่รับรสกายหน้าที่สัมผัสทั้งๆที่มันตัวรู้ตัวเดียวกันนะ่ะแต่มันออกอาการรับสัมผัสทางสัญญาณทางตางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยออกมาเป็นส่วนของคอยหุ่นท้าเรียกว่าอินซีนะหมายความว่าตาเนี่ยมันเป็นใหญ่ อีแปลว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ทางการเห็นจะเอาจมูกลิ้นกายมามาเห็นแทนตานี่ไม่ได้อมจมูกมีเป็นมีความเป็นใหญ่ในการารับกลิ่นเราตาไปสูดกลิ่นก็ไม่ได้หน้าที่เขาข้างของมันเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างหุ่นยนต์ได้สําเร็จเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่มันตาหูจมูกลิ้นกายของมนุษย์ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นความวิเศษของมนุษย์มันมีอยู่ในตัว ที่ใครสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้คุณวิเศษของอายตนะทั้งห้าทั้ง6ที่เราได้เนี่ยทาสี่กันห้ที่เราได้นี่ให้มันได้สิ่งวิเศษได้อย่างไรเนี่ยตรงเนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเรามีสิ่งวิเศษคือตาหูาจมูกลิ้นกายใจชนิดที่ใครมนุษย์วิทยาศาสตร์สร้างไม่ได้มันถือว่าเป็นสิ่งวิเศษแล้วเราเอาสิ่งวิเศษเนี่ยเป็นแหล่งของต่ำต่ำเ ต, ต, ตี้เตี้ยเช่นกรรมวุคลงทั้งหลายนี่ย มันไม่คุ้มกันแล้วก็ทําให้ตัวเองให้เป็นทุกข์นะมันก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองได้อย่างวิเศษเหมือนกันนะฆ่าตัวเองก็ได้ทําให้ตัวเองเป็นบ้าเป็นบอทําให้ตัวเองเป็นอะไรได้หมดแต่ว่ามันไม่ใช่ทําให้คุณค่าในทางวิเศษขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ใช้เวททางที่มันเกิดคุณวิเศษเช่นให้ไปรู้วิธีการรักษาศีล เป็นของวิเศษให้รู้จักวิธีการทําสมาธิเป็นของวิเศษรู้จักการทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดญาณทัศนะต่างๆทําให้เกิดคุณวิเศษได้ญาณสามอภิญญาหได้ปฏิสัมพิทา์สีได้พิดเศษปัติหานะีก็เอาไปแลกไปแสวงหาให้เกิดสิ่งเหล่านั้นมันถึงจะสมกับคุณค่าของมันเหมือนเรามีเครื่องที่มีคุณภาพสูงอ่ะเขาก็ต้องเอาไปใช้ในงานที่มีระดับสูง ระดับประณีชนะงานที่มันซับซ้อนก็ได้ประโยชน์นั่นนี่ที่เราได้อ c มาอย่างสลับซับซ้อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งวิเศษสิ่งมหาจารรย์ยิ่งกว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะแต่เราก็ใช้มันไม่คุ้มอ่ะเพราะเราไม่ได้จัดระเบียบให้มันที่มันจะจัดระเบียบให้จัดระเบียบพระพุทธเาท่างจัดระเบียบว่าตาเห็นนะสักแต่ว่าเห็นไม่ให้มันไปยินดียินร้าย ถ้ามันไม่ถ้ามันไปยินดียินร้ายหมายความว่ามันกระจัดกระจายล้วไม่เป็นระเบียบล้วเห็นสตาว่าเห็นเห็นแล้วจะทํำไงให้การเห็นของเราเนี่ยมันเห็นในทางที่ถูกะมีความเห็นถูกเห็นถูกเห็นอย่างไรเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความแปรปรวนเป็นทุกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสาระอย่างเงี้ยถ้านเห็นไปอย่างนี้ให้เห็นว่า รู <c oughs> สึกหอย่างมันอเป็นทุกข์ให้เห็นว่าทุกข์เนี่ยไม่นมีเหตุได้เห็นว่าทุกข์เนี่ยมันดับได้แล้วก็เห็นวิธีดับเนีรอย่างเงี้ยนี่นจัดระเบียบให้ไปทางนี้ท่านบอกนี่คือมันจะสมคุณค่าว่าการมีตาทางจมูกกลิ่นกายใจก็เหมือนกันให้ไปเห็นไปลักษณะเดียวกันเราก็ยิ่งเห็นการเดินเป็นสิ่งวิเศษเห็นการยืนเป็นสิ่งวิเศษถ้าไปสร้างไอ หุ่นยนต์ตัวเป็นล้านมันจะมายืนเดินนั่งนอนของเราแบบเราได้ไหมถึงเวลามันเข้านอนเองถึงเวลาไปกินเองถึงเวลาไปดื่มเองถึงเวลาไปพูดเองเนี่ยได้ไหมมันไม่ได้ทาให้สั่งไงก็ไม่ได้เราเอาดอกไม้ไปให้มันดมมันจะได้กลิ่นมันเรานะก็ไม่ได้จะให้มพูดแต่ว่าเดี๋ยวบางทุกวันนี้มันก็มีการจําลองค้ายเหมือนมากนะบางแห่งนะ อามาเดินเข้าไปปีหนึ่งเดินเข้าไปสนามบินที่แฟรงก์เฟิร์ตเห็นอรูปผู้หญิงโฆษณาเสียงแหลมเลยวเ ด, ด, ดเข้าไปไมันไม่กระดิกมันกระดุกก็ดีเลยเข้าไปออมไปเอ้ามันเป็นมันเป็นโปรแกรมมันเอาตัดไอ้นั้นตัดรูปผู้หญิงไว้แปะแปแผ่นนั้นแล้วแต่งตัวเหมือนมากเลยแผ่นนั้นโฆษณาเสียงอะไรนี่เหมือนมันก็ได้เรียนได้ได้เสียงนั่นแหละแต่จะให้มันยิ้มเหมือนค น, ค น, นก็ยิ้มไม่ได้มันละ จะให้มันยกมายกมือทักทายคนมันก็ทําไม่ได้มันก็ทําได้เป็นมิติเท่านั้นเองนะแต่ว่าคนเนี่ยมันถึงหกมิติแต่ในโลกนี้มันค้นได้แค่สามมิติใช่ไหมมิติที่สี่ก็ยากแล้วแต่คนมีถึงหกมิตินะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งวิเศษเพราะฉะนั้นคําพูดลิ้นปากเนี่ยให้จัดระเบียบในการพูดในสิ่งที่ดีสิ่งเทพไพร่สิ่งที่สร้างความรักความสามัคคีสิ่งที่สร้าง ความเข้าใจความปลองดองสร้างสันติภาพอะไรเนี่ยให้จัดระเบียบไปทางนั้นแต่เราก็ไปใช้ในการทะเลาะบอแวงสัดแย้งถกเถียงโศเยษพูดปูดคำอยาเพื่อเจอก็ไปจัดระเบียบไม่ได้เลยทีนี้เห็นไหมท้งหูเมื่อกันท่านไปฟังเสียงที่มันดีมันเป็นประโยชน์นั้น Fields. เวลาเขาสร้างพูรู้คสร้างหูที่ยา like วมากท่านให้หมายความว่าให้ฟังอะไรให้ฟังแบบ ฟังหัไวไอหัวนะฟังอะไรลึกๆฟังด้วยุนิสสุมรสิการทีนี้จะเป็นสัญลักษณ์อายุนิสสุมรัชการถ้าได้ฟังยังไงอ่ะฟังแบบมีสติปัญญาในการฟังนะก็เลยสัญลักษณ์เป็นหูยาวก็จัดระเบียบทางหูนะจัดระเบียบทางหูหมายความว่าเราจะไม่เอาสิ่งที่เราฟังไปพูดทุกเรื่องเอาเฉพาะสิ่งที่เราจะจะเป็นประโยชน์ไปพูดอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นการจัดระเบียบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างเนี้ถ้าหากพวกเราไม่มีเจริญมีการเจริญศีลสัสพพิปัญญาทําไม่ได้อย่างที่กล่าวไปไม่เช้าว่าการรักษาศีลคือการจัดระเบียบทางกายการรักษาให้เกิดทำสมาธิคือการจัดระเบียบทางจิตการทําให้เกิดปัญญาก็าจัดเพื่อจัดระเบียบทางอารมณ์และความรู้สึกให้เป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์นั่นเองนะ พราะฉะนั้นตัวคนเราเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์ที่หลา ย, ลายหลายหลายพันเครื่องมารวมกันนะเพราะคนที่ผลิตคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ก็คือมนุษย์เองก็ระั้ะมันจะผิดออกมากี่เครื่องก็ได้แต่มนุษย์หรืหุ่นยนต์จะมาผลิตมนุษย์ไม่ได้แต่มนุษย์จะผิดหุ่นยนต์ได้ไดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในความหมายนี้เราจะไม่พูดแบบไม่มีระเบียบเราจะทําอะไรแบบไม่มีระเบียบแล้วจัดระเบียบเรจะคิดอะไร ก็ต้องจัดระเบียบเราถึงร่างกายนี้มันจะเป็นของวิเศษมีคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รู้จักระเบียบยืนก็ไม่เป็นระเบียบนั่งก็ไม่เป็นระเบียบเดินก็ไม่เป็นระเบียบกินก็ไม่เป็นระเบียบจะหลับจะนอนจะเจ็บจะป่วยก็ไม่มีระเบียบนี่นี่เลยว่าเราไม่ได้ฝึกในการจัดระเบียบนั้นเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากมาว่าเราจะต้องมีการต่อยอดพัฒนากันไปเรื่อยๆแต่ว่าการจัดระเบียบนั้นมันไม่ได้ทําด้วยความ บีบบังคับเหมือนกับวินัยทางทหารหรือทางที่เขาทำกันแต่เป็นการทำด้วยความเข้าใจเป็นการฝึกฝนเป็นการฝึกหัดตนเองให้มันเปลี่ยนไปมันถึงจะสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฝึกฝนให้เป็นคนมีระเบียบโดยที่เราไม่มีศรัทธาไม่มีความเต็มใจมันก็เปนีป่นไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปทำแบบเก่าแต่ถ้าเรามีศรัทธาที่จะฝึกฝนดัดแปลงตัวเองเราจะให้ ทำยังไงไม่ให้มันแก่หรือแก่ช้าทำยังไงให้มันเจ็บช้าทำยังไงไม่ให้ตายช้าอย่าวหมอที่บอกกลัวตายเนี่ยต้องต้องไปศึกษาเรื่องความตายให้ดีแล้ว <c oughs> จะทํางไงที่จะตายแบบอย่างสงาา่าเผาเผยนะแบบหลวงหลวงอะไรหลวงปูตงป่ตัใช่ไหมหลวงศาสตาจารย์ตัวนะเขานั่งเทศเสร็จแล้วอ้าไปก่อนนะก็นั่งแล้วก็ตายไปเลยนะใช่ไหมตามหนังที่เขาฉายแต่ความจริ ง, งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ มาไปดูคลิปหลวงตาหลวงพุทธาจาัโตอ่ะเจเดพุทธาจยนะ์โตนะเพราะฉะนั้นเอามาว่าพระเซนหลายหลายรูปตามที่ศึกษาประวัติมาท่านทำได้ไหมายความว่าก่อนที่จะตายก็มีการนั่งเทศน์นั่งฟังเอา้าเดินเดินตาให้ดูยืนตาให้ดูนั่งตาให้ดูนอนตาให้ดูแบบส ว, สสวายสบายเนะี่ยซึ่งมันถ้าถึงยุคเระพุทธศาสนาจเจริญมันต้องไปถึงขั้นนั้นนะนะ คือไม่ได้แก่ตายดินตายชักตายแบบอย่งทุกวันเนี่ยตาสายอาบอกขอบเสยังมันไม่ไม่ใช่อะ่ะมันจะต้องเป็นการจัดระเบียบของการแก่ให้เป็นแั่ระเบียบของการตายให้เป็นนั้นหมายความว่ามันจะต้องมีการเตรียมเตรียมตัวตลอดเวลานะมันจะไปเตรียมตัวตอนที่จะเป็นนะเพราะเราจะไม่รู้ความเจ็บมาตอนไหนใช่ไหมความแก่จะเกิด ข, ขึ้นตรงไหนตอนตายจะมามันจะเกิดขึ้นตรงไหนเราไม่รู้ เราะนั้นสิ่งที่เรารู้ได้ก็คือการเตรียมตัวต้อนรับมันได้ตลอดนี่คือเราทำได้แค่นี้เราเรียกเตรียมเตรียต้อนรับมันเราจะทำไงเราก็ต้องมาดูเหตุปัจจัยของมันดังนั้นในส่วนนี้เองท่านพิงบอกว่าเอาให้รู้เหตุปัจจัยของการการเกิดทุกข์และการดับทุกข์การดับทุกข์คือการดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บและดับความตาย เพราะฉะนั้นในอริยในปฏิจจสุบัททั้ง11เเมื่อเช้านยพูดถึงวิชา10ใช่ไหมแต่ตัวเป็นเหตุให้เกิดมันมี11อใช่ไหมลองนับดูนะหนอะไรอวิชา 2. สังขาร 3. วิญญาณ 4. ญญานามรูป 5. ญญาอาญตนะ 6. ญญาภาษะ 7. เวทนา 8. ทันหาเก้าประธาสิบพบสิบเอ็ดชาติสิบสองชาลาสิบสองไงนะิชามีแค่สิบใช่ไหมแต่มันเกิดสิบสองอ่ะมีถึงสิบสองชาลาบมราณะนี่ไม่ต้องพูดสว ก, กั บ, บริเทวาแล้วแค่ชาาบมราณะมันก็ไปทั้งหมดแล้วนะเขาก็แค่สิบสองปฏิสุบัดมีสิบสองใช่ไหมสิบสองแน่นะทีท่าน้นก็ไปตั้งต้นว่าชรา เหตุเกิดชาลาการดูเหนือชาลาวิธีการอยู่เหนือชาลานี่ท่านจะเอาหลักอริยสัจนสะีเนี่ยมาเป็นฝ่ายดับย้อนมาตั้งแต่ชาลาขึ้นมาทีที่ก่อนชาลาก็มาถึงอชาลามรณะการอยูอ่เหตุเกิดของมรณะวิธีการดับคือวิธีการที่จะไม่ตายคือการดับมรณะแล้ววิธีที่จะไปสู่การที่จะเป็นอมาตะเนี่ยทำอย่างไร นี่มันถ้าเวลาในในนิโรธสายดับท่านจะย้อนหลังขึ้นมาแต่ถ้าหากกระซุ่มกรไทยสายเกิดท่านจะไล่ทางต้นลงไปจงไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจงังหวะวิชาเหตุเกิดวิชาวิธีดับวิชาการดับวิชาและวิธีดับวิชาทําอย่างไรท่านก็มีวิธีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอสังขารเหตุเกิดสังขารการดับสังขารวิธีการดับสังขารทําอย่างไรต้องเรียนรู้ละเอาหลักลิขิตสี่ที่มา 4, จับหมดเลย ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบท่านบอกว่ามีถึงเท่าไหร่แต่ละข้อมแต่เป็นสีนี้สิบสองอ่ะสิบสองสี่สี่สองแปดสี่สี่เท่าสี่สิบแปดใช่ไหมในสี่สิบแปดเขาเรียกว่ายานสี่สิบแปดเขาเรียกเป็นวัตถุยานให้ให้ดูเอาตัวอริยสีเนี่ยไปผันไอ ปฏิสุบต์สี่รอบสี่รอบอ่าสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดเนี่ยวัตถุยานสี่สิบแปดทีนี้มารู้ตัวแล้วลักษณะว่าอาวิชชาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็มาไล่เลียงอวิชามลักษณะอย่างนี้นี่สังขารมลักษณะแต่ละลักษณะเป็นอย่างนี้ไล่เลียงทั้งสิบสองลักษณะการสามารถไล่เลียงรายละเอียดของลักษณะท่านเรียกว่าธรรมยาน และตัวอริชสีไปผันตัวปฏิสุบัสิบสองเป็นสี่สี่นี่เป็นวัตถุยานหรือยานด้วยวัตถุและสามารถอ่านอาการของตัวสมุทัยแต่ละอย่างออกมาได้ว่าอาการแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าธรรมยานนะแล้วการที่เราสามารถเข้าเอาตัวสมถะ และวิปัสสนาเข้าไปย้อนตั้งแต่ชราขึ้นมาถึงอวิชชาอีกครั้งหนึ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้เขาเรียกว่าเป็นอ น, ยายานุญาญญาณหรือญาณรู้ตามรู้ตามว่าเออชาามันเกิดอย่างนี้เหตุคือดชาาคืออะไรอย่างสมมติวาชาาเราจะรู้ได้ยังไงว่าชาาก่อนที่ชาลามันเกิดอะไรก่อนชาติวีตุขาพยาที่ปีตุคาชาลาปีตุคาเมไรนะปีตุขังใช่ไหมอ่ามันจะต้องรู้นั่นก่อนว่า ชลาเพราะฉะนั้นขณะนี้เรานั่งนี่เราเจ็บไหมเจ็บที่ไหนเจ็บที่ขานั่นชลาตรงมันกว่ากูตรงนั้นเหตุเกิดชลาคือเรานั่งเป็นไงนั่งแช่นั่งนานนะแล้วมีดับชลาได้ไหมแค่เป็นไงแค่เปลี่ยนแค่นี้นี่ดับชลาแล้วอ่าชลาเหตุเกิดชลาคือการเพลินไม่เปลี่ยนไม่ปรับใช่ไหมเหตุเกิดชลานี้ชลา เหตุเกิดชลาการดับชลาก็คือการปรับเปลี่ยนใช้สติปัญญา <c oughs> พอปรับเปลี่ยนแล้ววิธีการที่จะให้ชลามันอ่าดับได้ก็คือจะต้องมีวิธีการปรับทํำยังไงก็ไปใช้หลักของอนิมมัคยงแปดอะเห็นให้ถูกคิดให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องชลาเนี่ยวิธีการที่จะทําให้ดับเมื่อเรารู้อยู่อางนี้ปับ๊บเราก็บริหารไม่อยากจะให้ตัวเองแก่ง่ายทําไง ก็อย่าให้มันเจ็บมันป่วยง่ายอย่านั่งนานมันเจยบมันป่วยอย่ายืนนานเพราะมันจะทำให้เจ็บให้ปวดอย่าเดินนานอย่าทำงานนานจนกระทั่งเจ็บปวดนั้นชราประกฏตอนที่พยาธิพยาธิเป็นว่าเจ็บป่วยแต่คุณป่วยบ่อยๆก็แก่เร็วใช่ไหมคนที่ไม่ค่อยป่วยก็ไม่ค่อยแก่นี่ทีนี้ไอ้ป่วยมากๆมันเกิดมาจากป่วยน้อยๆก่อนใช่ไหมป่วยน้อยๆเช่นอะไรนั่งนานไม่อยากเปลี่ยนเดินนานไม่อยากทํางานมากไม่อยากพักอะไรพวกเนี้ย แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยอร่อยนะแล้วก็ไม่ค่อยดูแลร่างกายไม่บริหารร่างกายกินมากนอนมากอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเหตุอะ่ะนั่นเขาเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดชลาเราก็ไปตัดเหตุไหมใช่เพราตัดเหตุว่าไอ้ตัวชลาก็ไม่ปรากฏเมื่อชลาไม่ปรากฏมรณะปรากฏไหมอ่าก็ไม่ปรากฏคนนั้นก็ตายยากหรือตายช้าหน่อยอมีร่างกายที่ ไม่ค่อยมีเวทนาผ่อนคลายเสมอไม่ค่อยมีทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ค่อยเจ็บป่วยคนนั้นก็แกช่ช้าแล้วก็ตายชา้าตายสบายแล้วรู้จักวิธีการชะลาะมรณะเหตุเกิดของมรณะก็เพราะว่าเราปล่อยให้ชะลาปรากฏเหตุของมันคือชะลาเราชะลาบ่อยๆแล้วเจ็บป่วยบ่อยก็เหตุเกิดของมรณะอะทีนี้การดับมรณะทําไงคือไม่ให้มรณะมันเกิดก็ต้องมีวิธีการวิธีการก็คือ ทำเงี้ให้มันเซลเนี่ยไม่ตายง่ายๆคุณเราไม่จะตาปุ๊บปั๊บทั้งตัวมันต้องเซลตายาก่อนใช่ไหมทำเงี้ยให้เซลตายมากก็คืออุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปอุณหภูมิในร่างกายต่ําเกินไปความดันสูงความดันต่ำํำทาให้เซลตายมากเพราะฉะนั้นเราก็ปรับความดันแต่พอดีให้ร่างกายนี่พอดีอย่าให้มันหนักเกินไปอย่าให้มันอะไรที่มัน จ, จัดๆเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเซลมันจะตาย อย่างที่โลกที่ทําให้เซลลตายมากที่สุดคือโรคอะไรเราก็รู้ว่ามะเร็งเป็นเหตุทั้งการตายเอา้าทีนี้มะเร็งเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะความร้อนเกินใช่ไหมเพราะความร้อนเกินแล้วมันไปเผาเซลลแล้วก็เซลลที่มันตายจํานวนเป็นล้านๆเนี่ยมันออกไม่ทันนะมันระบายเหงื่อก็ไม่ออกยาละไปซะวะก็ไม่ดีการออกรำลงกายก็ไม่มีการขับถ่ายก็ระบบขับถ่ายก็ไม่ดีในที่สุดเซลที่ระบายออกมาจาก จากส่วนเหล่านี้มันไม่ได้ระบายออกหมดมันก็ตกค้างพอเซลเล็กๆ เ, เป็นล้านตัวตกค้างถ้าของผู้หญิงเอาอวัยวะส่วนใดที่อ่อนเซนซิทีฟมันก็จะไปตายตรงนั้นอวัยวะส่วนไหนของผู้ชายที่มันเซนซิทีฟตัวเซลล์ก็จะไปตายกันกระจุกตรงนั้นะผู้ชายมักจะเป็นที่ไหนนะตาปอดอ่อนแอใช่ไหมพอกินเหล้ากินยาซูบุรีเยอะแยะไ อ, อ้อวัยวะส่วนนั้นก็อ่อนแอมะเร็งมันก็ไปเกิดตรงนั้น ผู้หญิงก็เหมือนกันนะจุดไหนที่อ่อนแอในร่างกายมะเร็งก็จะไปกระจุกตายตรงนั้นแล้วก็เป็นมะเร็งตรงนั้นตัวนี้ขึ้นมาเพราะเซียวตายบ่อยเข้าบ่อยระบายออกไม่ทันแล้วเราก็มาแก้ไขไอ้ทำไงให้มันไม่เกิดความร้อนขังในร่างกายเพราะเป็นเหตุให้เซีลวตายเยอะแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปใส่อะไรเข้าไปความเย็นความระบายสบายอากาศดีออกซิเจนดีในร่างกายปั่นออกซิเจนเข้าไป มาก็มานึกถึงที่เขาผ่านบ่อเลี้ยงปลาเอ๊ะทาไมเขาปั่นเครื่องทั้งวันทั้งคืนนะเพื่อให้มันเกิดอะไรเกิดเอาซีเยนเพื่อมาให้น้ํามันร้อนมันนอนแล้วปลาไม่ตายอ่าฉันได้ก็ดีเนี่ยเราก็ปั่นเอาซีเยนเข้าสู่ร่างกายเพื่อร่างกายนี้ผ่อนคลายเบาสบาย ท, ที่นี่เซียวมันก็ไม่เคยตายเพราะเซียวส่วนใหญ่เซลมีกําลังร่างกายของเราก็จะมีเซลใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าถึงอาหารบางอย่างที่เป็นธรรมชาติอาหารเสริม อะไรก็ตามที่จะไปก่อให้เกิดเอาซีเย็นแล้วเซีลวที่มันเข้มแข็งก็ทําอยู่ประจำคนนั้นก็จะแก่ช้าตายช้าตายก็สบายเพราะเวทน้ำเยินเพราะนี้นเรารู้าเหตุการ์แก่การตายแบบนี้ก็ไม่ได้ความว่าเราไม่ตายนะเพราะแต่ละคนมันมีอายุของดินเอมีอายุไขของมันว่าบรรพบุรุษเขามีอายุดินเอเขามีมาเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นคนพาเราพากอมันก็มีเหมือนกันนะพ่อแม่ได้มาอายุคนละหนึ่งร้อย ลูกปลาเขาไปร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็มีนะอันนี้เขาเรียกพวกพวกพา่าเอย่างท็อเตอร์อะไร mm hmm. ยินเชียงยืนนะยินเฮ้่อยินใช่ไหมอามาตัดลูกเป็นใส่กรอบเอาไปไ้เลยนะอายุสองร้อยเท่าไหร่นะห้าสิหกปีศ mm hmm. <c oughs> าสตราจารย์ทตเตอร์หลีเชียงยืนคนจีนสองร้อยห้าสิบเขาก็เล่าประวัติมาหมดนะรประวัตละเอียดมากมีเ mm hmm. มียถึงยี่สิบสี่คน อายุร้อยห้าสิบเนี่ยเขาไปพบฤาษีคนหนึ่งเขาก็ได้อายุต่ออยเป็นร้อยปีอ่ะสองรอยห้าสิบหกปีก็ยังอายุร้อยหกสิบเ็ดสิบก็ยังไปสอนในมหาวิทยาลัยอยู่เลยนั่นเป็นเวนเอามาก็เลยตัดรูปกรอบเอาไว้แต่ในสมัยนั้นในสมัยนี้คงยังไงก็ไม่ถึงเละเนาะอมาจะลองอยู่ตั้งไว้สักสองร้อยจนสองรห้าสิหกปีมันเยอะไป ทางไว่ได้สองรอยปีแต่เกิดมุฟุกนี้มันตายก็ว่าสองรอยปีเหมือนกันนะว่าแต่สองรอยปีไม่ใช่งอ่งแง่งอ่แงกแบบคนแก่ทั่ไปนะต้องอย่างนี้นะถ้าเลยไปอย่างนี้ไม่เอานะสองร้อยปีก็หุนนี่แหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาว่ามันเป็นสิ่งท้าทายนะไอ้เรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายมีปัญหาธรรมดามากใครแก่แก่เจ็บตายเรื่องง่ายๆนะใครก็ทําได้แต่การแก่ช้าตายช้าเจ็บช้าหรือการไม่แก่ไม่เจ็บ หรือไม่ตายนะเป็นเรื่องที่ท้าทายหน้าน้าศึกษาหน้าเรียนรู้หน้าทำเราจะรีบแก่ไปไหนเราจ ะ, จะเจ็บไปไหนรีบตายไปไหนใช่ไหมในไหนมันจะแกะ่จะเจ็บตายต้องอยู่ให้มันเออให้มันให้มันจบไปเลยให้เกียรตอัสว่ามันหมดก่อนค่อยตายนะถ้ากียรตอัสว่าไม่หมดกลับมาร์เกอร์ทีก็ตายทีนี้ตายซ้ำซากแน่นอนนะนะเจ็บซ้ำซากป่วยซ้ำซากมันน่าเบื่อนะเพราะนั้นไหนไมาแล้วชาติ น, นี้ก็อย่าให้ไปเกิดแก่เจ็บตายซ้ํซากให้จบมุนเดียวจบชาติเดียวจบวงั้นเลย เอามาว่าลองศึกษาเรื่องนี้นะมันเป็นไปได้ผู้ทีเจ้าท่านก็บอกว่าอยากใครอยากจะมีอายุยืนไม่ยากท่า น, นว่าจะเอียนอธิบา 4, ยสี่เป็นประจําอืมฉันทาวิทยาจิตตะวิมังสาแต่ทําให้ชํานานนะท่านบอกว่าถ้าฉันทะไม่ชํานาญอายุก็ไม่ยืนที่ตา่างตามที่ต้องการวิทยาขยายมันเพียนแก้ไขรักที่จะมีชีวิตอยู่ฉันท่านสองก็คือ พยัญชนเพียอในการแก้ไขปรับปรุงอะไรที่เป็นเหตุให้อ่าความแก่ความเจ็บความตายอ่าเกิดขึ้น่ะก็มันแก้ไขปรับปรุงในสิ่งนั้นนะจิตะก็คือใช้สติปัญญาในการดำเนิชีวิตอย่าไปแช่าอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นของร้อนสติปัญญาเป็นของเย็นแล้วก็อืมวิมังสาท่านใช้คําว่าอาภิสังขาร น, นะ ฉันทาพิสังขารปริยาพิสังขารจิตตาพิสังขารวิมังสาพิสังขารวิมังสาคือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอะไรที่ไม่มีประโยชน์อเสียเวลาทําอะไรก็ตามที่มันจะเป็นพูดในทิงประโยชน์ทําเป็นประโยชน์คิดเป็นประโยชน์ท่นบอกทาให้เรื่องนั้นให้ชํานาญเพราะเอาพิสังขารไปไวชํานาญทําให้ชํานาญในเรื่องนั้นๆถ้าอย่างเนี้ยอายุเกินร้อยแน่เ่็นบอกเพรมีคนไปถามท่านนะ คนสมัยขั้งพุทธกาลอายุยืนเนี่พระนุนเท่าไหร่20ปยี่ส ป, ป, ปีปหากตสปะร้อยหกสิบปีพระอัญญากรุธยะร้อยแปดสิบปีอ่คนสมัยนั้นแค่นางวิสาขาก็ร้0ยี่ปีเลยนะตามประวัติอ่ะอายุตอนนั้นอายุแปดสิบอายุปดสิบแปดสิ่าแล้วที่นี่วันหนึ่งเขามีงานกลางสนามหลวงเนะี่ที่นี่นางวิสาขาเขามีรู้หลานเยอะนะักทั้งย0ิบกว่าคน เขาก็ไปไปร่วมงานนั้นด้วยทีนี้หลายคนก็อยากเห็นนางวิสาขาเขาเป็นคนใจบุญชุนทานเป็นผุ้ถาวรุษาก็ไปดูเขายังอยู่ในท่ามกลางลูกหลานเขายังมองไม่ออกนางวิสาขาคนไหนต้องมีคนไปชี้ดูว่าเนี่ยคือนางวิสาขาเออทำไมมันหนุห่มเนี่ย ก, ก็ลูกกับหลานวะยุ่ยเจ็ดแปดสิบแล้วก อ, อขนาดนั้นเลยนะอันนี้ปผมว่าไว้นะแต่จริงไม่จริงไม่รู้ <laughs> เราเร า, เราไม่ได้เกิดร่วมมันเป็นไปได้นะ ถ้ายุถึงร้อยนักวิสาขานี่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเอาตัวนิโรธาทวานมาหมุนให้มันได้สิบสองรอบเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าเป็นสมุททยาทวานมันหมุนตั้งแต่อภิชาคอยค่อยสังขารไปไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าตีมาเป็นตัวนิโรธาทวานมันได้ถึงสิบสองแล้วเอา อ๋าออริชาสีเข้าไปผันเป็นสี่สิบสี่จึงเรียกว่าวัตถุยานนะแล้วาไปอ่านลักษณะของแต่ละลักษณะตั้งแต่วิชาจะไปถึงชาราบารณาเนี่ยแต่ลักษณะมันมีอาการอย่างไรแล้วแก้อาการให้ถูกเรียกว่าธรรมยานนะแล้วก็เราเอาไปเข้าลงไปสู่ภาคปฏิบัตินะตามดู้ตามดูตามเห็นอาการของตั้งแต่วิชาจะไปถึงชาราบารณามันเกิดยังไงมันตั้งอยู่มันดับไปงไง การตามรู้แก้ไขมันได้เขาเรียกว่าอนันวยะยานได้สามยานนี่หมายเขาว่าอามันก็ทุกตั้งแต่วิชาจะไปถึงชลามาแลก็ดับดับได้นะเรื่อนิโรธวานอันนี้หลักวิชาการนะไม่ใช่อาจจะภาพปฏิบัติแล้วก็อย่างที่เราทํานี่แหละตามรู้ตามดูตามเห็นแต่เอามามองไปสองด้านนะด้านที่เป็นรูปประธรรมอย่างไรมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมันมีความจํากัด เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นะแต่ในด้านของนา ม, มาทรเอามาว่าตัวชลามรณะมันก็คือตัวโสกกาพฤิเดวัตุกโทมนาตันเองนะคำว่าชราบารณะทางจิตจิตมันเกิดแล้วก็มันก็ชลาแล้วมันก็ดับมันก็ตายมันเกิดแก่เจ็บตายในทุกๆวินาทีอะจิตอะดังนั้นไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายในฝ่ายนาม มันถึงขยายมาใฝ่รูปแต่เนื่องว่าน้ำเนี่ยมันสิ่งที่ละเอียดเป็นปรมัตสมันสามารถที่จะไม่ต้องใช้เวลาในการเกิดแก่เจ็บตายของมันจะมีขบวนการแต่ว่าพอขยายมาเป็นรูปแล้วมันมีเวลาเข้ามาบวกอายุเท่านั้นจะเกิดอายุเท่านั้นจะแก่อายุเท่านั้นจเจ็บอายุเท่านั้นจะตายอาศัยการเวลาแต่ถ้าก็เป็นปรมัตสแล้วสามารถเกิดแก่เจ็บตายในชั่วลัดมือเดียว เกิด <N> แล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าเกิดแล้วไม่ดับนั่นแหละมันจะขยายเป็นรูปละเกิดแล้วดับช้ า, าเกิดกับดับไม่สมบูรณ์กันไม่สมดุลกันมันจะออกมาเป็นรูปเป็นนามเป็นเป็นนามรูปก่อนพราะนามรูปไม่ถูกแก้ไขก็ออกมาเป็นรูปนามอย่างพ่อแม่เราเจอกั น, นเกิดอะไรนามรูปใช่ไหมคือความรักกันออกมาเป็นนามรูปพอสักพักไม่ได้มาอยู่ด้วยกันรูปนามเป็นไงรูปนามก็เกิดแล้วแต่เกาดนานเป็นนามเฉยใช่ไหม บางคนงมีความรู้สึกพอมาเห็นการปั๊บขาดสติปัญญาควบคุมการกระทบปับ๊บนำรูปปรากฏเลยเกิดเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบปรากฏนำรูปปรากฏเดิมทแท้นี่เราก็เป็นนามล้วนๆนี่แหละเราก็คือเกินเกินเกิดดับในใจของพ่อแม่นะเด็กเกิดะดับทันทีในใจของพ่อแม่แต่พอเพราะความขาดสติขาดปัญญาที่เขามาควบคุมการกระทบอันนี้นามรูปรูปนามนามตัวนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น รูปนามรูปก่อนมาปรากฏ น, นามรูปแล้วเราก็เราก็ไม่มีสติปัญญาเข้าไปตามรู้จนทันอีกนามรูปก็เปลี่ยนมาเป็นรูปนามแล้วรูปน้ําก็ยิ่งมีอายุละที่จะขยายออกไปส่วนนามมารูปมันจะอยู่ตรงที่ว่าดับใดที่ไม่มีสติกำหนดรู้มันก็ดับช้าหรือมันจะดับเองก็ดับช้าบางความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันไม่ยอมดับใช่ไหมคิดไปเรื่อยๆ คิดทั้งคืนก็มีเขาคิดเรื่องนั้นมันไม่ดับนี่เขาเรียกว่านา ม, มารูปมันเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วในี่สุดชะลาบรรณักก็มาเนี่ยคือลักษณะที่มันขยาย mm hmm. เราเมื่อก่อนคือเกาเป็นนามนั่นแหละเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเมื่อมันไม่ไม่พอดีอนามเกิดมากกว่าลูกลูบเกิดมากกว่านามก็เกิดเป็นตัวเหลือเศษไอ้ตัวเลือเศษขึ้นมานี่เขาเรียกรูปนา ม, มารูปละ นามรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีสติปัญญาไปดับได้คิดถึงแฟนหรือคิดอยู่อย่างนั้นคิดจะเป็นทุกข์คิดถึงลูกถึงเมียถึงสามีพันยาคิดถึงพ่อถึงแม่ไม่มีสติปัญญาเข้าไปดับได้มันในที่สุดมันก็ต้องไปพบกับพ่อกับแม่ไปพบกับพันยาสามีไปพบกันก็มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นตามลาดับเนี่ยสาเหตุของมันดังนั้นต้นเหตุเราจะกลับไปต้นเหตุคือกลับไปสู่นามล้วนก็คือกลับมาอยู่กับปรมัต เมื่อได้อยู่กับปรมัตถ์แล้ว mm. แล้วก็อยู่เหนือจากการเกิดการตายเหนือการเกิดดับของจิตนั้นเราก็เราก็ไม่เป็นไปจิตที่มันเป็นปรมัตถ์แล้วก็ไม่เป็นไปอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของใจรักษและไม่เป็นไปอำนาจของการเกิดดับราธีมาอยู่เหนือการเกิดดับตรงนั้นคือเป็นปรมัตถ์ล้วนๆนี่ภาวะนี้เรียกว่าอมตะธรรมหรืออมฤุตตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายได้แก่ธรรมที่ไม่เหนือการเกิดการตายคือได้แก่ตรงเนี้ที่เราปฏิบัติก็เพื่อที่จะไปสู่ สภาวะที่เป็นอมาติธรรมนะคือไม่ไม่แก่เกิดแก่เจ็บตายไปตามหลักของไตลักษ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารถ้าแต่กฎของไตลักษ์คือบริหารั้าแต่อณิจังนุ่นถึงเจ็ดทันถ้าป่วยอณิจังขาดความสมบูรณ์ปั๊บก็ให้เกิดทุกขังละอนะทุกขังก็อยู่ไม่ได้เลยก่อเกิดนามารูปแต่ถ้าหากบริหารกฎอณิจังเดี๋ยวพอดีปับ๊บมันก็ความเป็นอณิจังก็ดับแค่แค่รูป มันไปไม่ถึงนามแต่พอเราไม่มีสติปัญญาบริหารเพราความเป็นนิจจังของรูปก็แผ่ไปสู่นามเขาเรียกว่านามมารูปคือเป็นความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วรูปเกิดขึ้นในใจก่อนแต่มาควบคุมรูปที่อยู่ในใจไม่ได้กออกมาในกายก็เป็นรูปนามแล้วองค์นก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วทีเนี้สร้างกรรมสร้างเวียนต่อกัอนไปไหลเวียนเปลี่ยนแปลงชัดแล้วชัดเล่าอย่างเงี้ต่อไปเรื่อยๆเห็นไหม โทษของการที่ไม่ตามรู้แค่นามและนามรูปเท่านั้นนะมันก็เกิดไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่จุดนี้มันก็ต้องใช้ความพยายามกันหน่อยอย่าทำเล่นๆห ล, ลอกๆ ล, ล, ลวงๆมันมันไม่ได้ละมาจะต้องศึกษากันเป็นระบบให้ชัดเจนฉังนั้นคนธรรมดาที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรแล้วอย่าหวังเลยนะก็ต้องต้องปล่อยไปตามนั้นก่อนแต่เรามาเรื่องมีพื้นฐานของสรัทและความเพียร แล้ทุกสิ่งมันก็เป็นไปได้มันจะยากมันจะเลือกซึ้งขนาดนั้นก็เป็นไปได้ขอให้มีศรัทธาและความเพียร น, นะเพราะนั้นช่วงเย็นวันนี้เพราะพรุ่งนี้เราจะไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ปิดวาจาแต่แต่เช้าจุเย็นเลยนะและแถมตอนเย็นไม่มีน้นาําปน้าโดยพรุ่งนี้ <c oughs> ตอนเย็นไม่มีน้ําปน้าเป็นมาน้ำทาร์เราก็ขึ้นมาพี่กัน มาแค่มื้อเดียวก็เหลือเฟือเนาะอาหารดีๆนะอันนี้ถ้าว่าไปเราจะสามื้อเลยนะอาหารเช้าก็มีกลางวันก็มเย็นมีน้ำปนไอต่างหามันอิ่มเกินไปแล้วมามันถึงง่วงมันถึงหนักว่งนี้ตัดออกสักมื้อหนึ่งนะมื้อเย็นมันก็เป็นอาหารเหมือนนั้นน้ำปนนั่นแะละเรื่องอาหารอ่อนโอเคเนาะก็คณบูรณาสาัตว์ทุกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเรื่ององรรถธรรมเหตุเกิดของทุกและเหตุดับของทุก เมื่อเราศึกษากันอย่างนี้เราก็ต้องมีความเอาใจใส่พยายามให้ถูกต้องนะไม่ใช่เอาหนักเอาหน่วงเอาทวงเอาทับอะไรเอาให้มันถูกต้องอะไรที่มันถูกอะไรที่มันไม่ถูกก็ไปคอยศึกษาคอยสังเกตเฝ้าดูแลเราก็สามารถเข้าถึงอมาตะธรรมได้การทุกขัคนเทียน